มิระปุพิยะวักหมวดว่าด้วยพระติมิระปุพิยะเป็นต้นหนึ่งติมิระปุพิยะเทราประทานประวัติในดิจชาของพระติมิระปุพิยะเทระพระติมิระปุพิยะเท ร, ร ะ, มร ะ, ะ เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้าใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระสมณะ ผู้ผ่องใสไม่ขุนมัวประทับนั่งอยู่เขาพระเจ้าจึงทํำจิตให้เลื่อมใสในพระสมณะนั้นแล้วจึงได้คิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงข้ามเองแล้วจกช่วยสัพพสว์ให้ข้ามวตฏสงสารทรงฝึกตนเองแล้วจกทรงฝึกสัพพสว์ทรงเบาพระทัยเองแล้วจกทรงช่วยสัพพสว์ให้เบาใจทรงสงบเองแล้วจกทรงช่วยสัพพสา์ให้สงบ ทรงพ้นเองแล้วจากทรงช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทรงสงบเย็นเองแล้วจากทรงช่วยสรรพสัตว์ให้สงบเย็นเขาพรเจ้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วได้ถือดอกดีหมีมาโปรยเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าสิทธัตถะในครั้งนั้นเขาพระเจ้าประคองอัญเชลีและทําประทักษิณพระองค์กราบพระยุ ค, คลบาทของพระาศาสดาแล้วจึงหลีกไปยังทิศอื่น พญาเนื้อได้เบียดเบียนข้าพเจ้าผู้พอไปแล้วไม่นานข้าพเจ้าเดินไปตามริมเหวได้ตกลงไปตายในเหวนั้นนั่นเองเนื้อกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลเนียงการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกลับที่ห้าสิบหกนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดชาติพระนามว่ามหายะสะ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอดของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติมิระปุพยะเถระได้พาสิทธฐานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ ติมีระปุพิยะเทราประทานที่หนึ่งจบ 2. องะตสัญญากะเทราประทานประวัติเนดิตชาติของพระคตาสัญญากะเทระพระคตาสัญญากะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตมีจิตพองใสเลือกลาพระยุคลบาทของพระชารย์สดา ข้าพเจ้าได้โยนดอกดินเจ็ดดอกไปในอากาศอุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้ทรงพระคุณหาที่สุดมิได้ดังสาครข้าพเจ้ามีใจร่าเริงเลื่อมใสแล้วบูชาหนทางที่พระสุคตเสด็จดำเนินไปได้ประนมมือทั้งสองของตนไหว้พระสุคตในกลับที่เก้าสบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทากรรมไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่8ปดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสามชาติพระนามว่าอัคิสิกะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและพิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระคาตาสัญญากะเทระได้พาศิทคถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้พระคตาสัญญากะเทระประธานที่สองจบสนิปันนันชลิกะเทระประธานประวัติในเิตชาตของพระนิปันนันชลิกะเทระพระนิปันนันชลิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเิตชาตของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นไข้หนักนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไม้ถึงอาการน่าสงสารอย่างยิ่งอยู่ในป่าใหญ่ดงทึบพระศ า, ศาสดาพระนามว่าติสสะทรงอาศัยความอนุเคราะห์จึงเสด็จมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นนอนอยู่ได้ประนมมือไหวเหนือเสียงกล่าวข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งสรพพสัต แล้วได้สิ้นชีวิตในป่าในที่นั้นเนื้อกับที่เก้าสิบสองนับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุรุษผู้สูงสุดจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการกราบไหว้เนื้อกับที่ห้านับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าชาติพระนามว่ามหาสิทธะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก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 อโทปุพิยะเถราประธานประวัติในดิตตชาติของพระอโทปุพยิยเถระพระอาโทปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าภิกษุชื่ออภิภูนั้นได้วิชาสามมีอนุภาพมากเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีเข้าไปยังภูเขาหิมพานครั้งนั้นแม้ข้าพเจ้าข้อบวชเป็นฤาษี เป็นผู้ชำนาญในอัปปมัญญาและฤทธิ์อาศัยอยู่ในอาสมที่น่ารื่นรมใกล้ภูเขาหิมพานเขาพระเจ้าปรารถนาภูเขาอย่างยิ่งปรีบเหมือนนกในอากาศปรารถนาอากาศฉะนั้นเขาพระเจ้าเก็บดอกไม้ที่เชิงภูเขาแล้วจึงมายังภูเขาเขาพระเจ้าหยิบดอกไม้เจ็ดดอกมาโปรยลงเหนือศีรษะของพระเถระผู้อันพระภิกษุผู้มีความกล้ากล้าแลดู ก็บ่ายหน้าหลีไปทางทิศตะวันออกเขาพระเจ้าถึงอาสมแล้วจัดแจงที่อยู่พรเสาแหลกบริขารเดินไปตามระหว่างภูเขางูเหลือมเป็นสัตว์ร้ายกาดมีกำลังมากได้รัดเขาพระเจ้าเขาพระเจ้าระลึกถึงบุปกรรมแล้วได้สิ้นชีวิตณที่นั่นเองในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้คุณวิเศษเหล่านี้เคยปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเครปเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเ้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอโทปุพยะเทระได้ภาสิข า, าเหล่านี้ด้วยประการชนิอโทปุพยะเทราประธานที่สี่จบ ห้ารังสิสัญญกะเทราประทานประวัติในดชาติของพระรังสิสัญญกะเทระพระรังสีสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในฎชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานนุ่งห่มหนังสัตว์อยู่ในซอกภูเขาข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคํามีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงอาทิตย์ เสด็จเข้าแนวป่างดงามเหมือนต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งเข้าพเจ้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัศมีของพระวิปัสสีพุธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วนั่งกระโยงประคองอัญชลีเหนือศีรษะไหว้แล้วแนวกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในรัศมี คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระรังสิสัญญกะเทระได้พากษัตราเหล่านี้ด้วยประการฉนี้รังสีสัญญกะเทราประธานที่ห้าจบหก ทุติยารังสิสัญฆญะเทระประทานประวัติในดิตชาติของพระทุติยารังสิสัญกญะเทระพระทุติยารังสิสัญกญะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้านุ่งผ้าเปลือกไม้อาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมะพานขึ้นสู่ที่จงกรมแล้วนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกข้าพเจ้าได้เห็นพระสุคดพระนามว่าผุสะ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 พระพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระทุติยรังสิสัญญกะเทระได้พาสิทคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ทุติยรังสิสัญญกะเทราประธานที่หกจบเจพระละทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระพระละทายกะเทระพระพระละทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้านุ่งห่มหนังสับครุคระอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานได้เห็นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าพุทธะจึงได้เถอผลไม้ไปถวายเขาพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายผลไม้ได้ไว้ผลไม้นั้นก็บังเกิดแก่เขาพเจ้าในพบที่เขาพเจ้าบังเกิดแล้วในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไป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 พระธายกะเทราประธานที่เจ็ดจบแสัทธสัญญกะเทราประธานประวัติในดิจฉาของพระสัทธสัญญกะเทระพระสัทธสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าอยู่ณที่ลาดด้วยใบไม้ที่ภูเขาหิมพานเขาพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าผุสะ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 ท่านพระสัทธาสัญญาเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิสัทธาสัญญาเทราประธานที่แปดจบเกโพธิสินจะกระเทราประธ า, า, า, านประวัติในดิจฉาของพระโพธิสินจะกระเทระพระโพธิสินจะกระเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าได้มีการฉลองต้นมหาโพ แห่งพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีในครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชอยู่จึงเข้าไปใกล้ๆข้าพเจ้าได้ถือดอกโกสุลและน้ําไปโปรโยและรดที่ต้นโพลเรื่องกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงหลุดพ้นแล้วจากทรงช่วยพวกเราให้หลุดพ้นทรงสงบเย็นแล้วจากทรงช่วยพวกเราให้สงบเย็นในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้รดน้ำต้นโพไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลเหนียงการรดน้ำต้นโพเมื่อกลับที่สามสิบสามกำลังเป็นไปอยู่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปชาติพระนามว่าอุทกะเสจนะทรงเป็นใหญ่ในหมู่ชนคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโพธิสัตกะเทระได้พาสิทขิคถาเหล่านี้ด้วยประการัชนีพโพธิสิัตกะเทราประธานที่เก้าจบสิปทุมะปุพยะเทราประธานประวัติในดิจ่าของพระปทุมะปุพยเทระพระปทุมะปุพยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าไปยังสะบัวหักดอกบัวอยู่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าผุสะผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการข้าพเจ้าจับดอกประทุมโยนขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาข้าพเจ้าระลึกถึงกรรมชั่วแล้วจึงบวชเป็นบรรพชิตข้าพเจ้าครั้นบวชแล้วมีกายและใจอันสมรวมดีละวจีทุจริต ชำระอาชีวะให้หมดจดเนกับที่เก้าสิบสองนับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ยังไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกับที่สิบปดนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสิปชาติพระนามว่าปทุมมาพาศและได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสี่ิแปดชาติ คุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิญญาหกขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้จราบว่าท่านพระปทุมะปุพยะเทระได้พาสิบธิานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปทุมะปุพยะเทราประธานที่สิบจบ ติมิระปุพิยวัคที่เ้าจบบริบูรณ์รูอปอปทานที่มีในวัคนี้คือ 1. ติมิระปุพิยะเทราปรทาน 2. องครตะสัญญะเทราปรทาน 3. นิปันนันชลิกะเทราปรทานสอโทปุพิยะเทราปรทาน 5. ้ารังสิสัญญะเทราปรทาน 6. ทุติยรังสิสัญญะเทราปรทาน 7. พระธายกะเทราประทาน 8. สัต ธ, ธสัญญกะเทราประทาน 9. โพธิสินจกะเทราประทานส0ปทุมะปุพยะเทราประทานและท่านประกาศคาถาไว้ห้าสิหคาถา สุทาวักหมวดว่าด้วยพระสุทาปินทยะเป็นต้นหนึ่งสุทาปินทยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสุทาปินทยะเถระพระสุทาปินทยะเทร ะ, ร ะ, ทะเระมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าสำหรับบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้าพระปฏเจจพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชา ผู้ล่วงพ้นกิเลสเป็นเหตุเนื่นช้าข้ามความเศร้าโศกและความร่ำไรได้แล้วและสำหรับบุคคลผู้บูชาผู้ควรบูชาเหล่านั้นผู้เช่นนั้นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆซึ่งนิพพานแล้วใครๆไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้การที่บุคคลในโลกนี้พึงครองความเป็นใหญ่แห่งเทวีทั้งสี่นั้นก็ยังไม่ถึงเซี้ยวที่สิบกแห่งการบูชานี้เลย ข้าพเจ้ามีใจผ่องใสได้ใส่ก้อนปูนขาวไว้ในระหว่างแผ่นอิฐที่พระเจดีแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้เป็นนรกผู้เลิศเนื้อกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นโพนิ่งการปฏิสังขรณ์เนื้อกลับที่สามสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบสามชาติ พระนามว่าปฏิสังขาระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุทาปินทิยะเถระได้พาสุขฐานเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ สุทาปิัญยาเทราประธานที่หนึ่งจบ2สุปีธยาเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระสุปีธยาเทระพระสุปีธยาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ถวายตังที่สะอาดหมดจดแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้โล ก, กนาาผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งดวงอาทิตย์ เนกกลับที่สาิบแปนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหาโรจิมีโภคะไพบู์และที่นอนมีค่ามิใช่น้อยเขาพระเจ้ามีใจผ่องใสได้ถวายต่างแด่พระพุทธเจ้าแล้วสวยผลกรรมของตนที่ตนได้ทําไว้ดีแล้วในครั้งนั้นเนกกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายต่างไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายตังค์เนื่อขับที่สามสิบแปนับจากขับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสามชาติชาติที่หนึ่งพระนามว่ารุจิชาติที่สองพระนามว่าอุปรุจิและชาติที่สามพระนามว่ามหารุจิคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุปีธยะเทระได้พาสิกาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้สุปีธยาเทราประทานที่สองจบสอัฏฐเจละกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระอัฏฐเจละกะเทระ พระอัทเจลก ะ, ะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนติจชาช้าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจถึงอาการน่าสงสารอย่างยิ่งได้ถวายผ้าเครื่องผืนแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าติชะข้าพเจ้าครั้นถวายผ้าเครื่องผืนแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกลับและเนกกลับทั้งหลายที่เหลือข้าพเจ้าได้ทํากุศลไว้แล้วในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าเนื่อกลับที่ห้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นประสาทผู้จกกักระพัดพระนามว่าสมันตาโอทนะเป็นใหญ่นิโมชนคนวิเศษเหล่านี้เคือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอัฏฐเจละกะเทระได้พาสุกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อัฏฐเจละกะเทราประทานที่สามจบสสูจิทายกะเทราประทานประวัติเนติชาติของพระสูจิทายกะเทระพระสูจิทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติ ในติตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้เป็นช่างทองอยู่ในกรุงพันธุมาซึ่งเป็นกรุงที่ล้ำเลิศข้าพเจ้าได้ถวายเข็มแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่างของข้าพเจ้าเสมอด้วยเพชรล้ำค่าเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะหลุดพ้นอย่างวิเศษบรรลุความสิ้นอาสวะข้าพเจ้าค้นคว้าพบ ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งปวงได้ด้วยญาณ น, นี้เป็นผลแห่งการถวายเข็มเนี่กกลับที่เกสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดชาติพระนามว่าวาชิระสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิญญาหกข้าพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสูจิทายกะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สูจิทายกเทราประธานที่สี่จบห้คันธมาลิยเทราประธานประวัติเนดติชาติของพระคันธมาลิยเทระพระคันธมาริยเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำสถูปไม้หอมปกคลุมด้วยดอกมะลิทำให้สมควรแด่พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกเช่นกับทองคำที่ล้ำค่าทรงรุ่งเรืองดุจต้นราชพฤกษ์ดุจแท่นบูชาไฟอันสว่างเจรจาผู้ประเสริฐ ด, ดุจพญาเสือโคร่งตัวองอาจ ดุพยาไกรสอนผู้มีชาติสูงผู้ล้ำเลิศกว่าสมณะทั้งหลายผู้ประทับนั่งมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมข้าพเจ้ากราบพระยุคลบาทของพระศ า, าสดาแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือเนกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายของหอมและดอกไม้ไว้ด้วยผลแห่งศักกระที่ทำไว้ในพระพุทธเจ้าโดยพิเศษข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกปิเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่สามสิบเก้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบหกชาติมีนามเหมือนกันว่าเทพคพันธะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระคันธมารยเถระได้พาสิกธิาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิคันธามารยเทราประทานที่ห้าจบหติปุพิยเทราประทานประวัติเนเดตะชาติของพระติบุพิยะเทระพระติปุพิยะเทร ะ, ร ะ, ะ, เ, ทระเมื่อจะประกาศประวัติเนเดตะชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้ออาศัยอยู่ในป่าใหญ่ดงทึบ เห็นต้นแครอยมีใบเขียวสดจึงโปรยดอกไม้สามดอกบูชาซึ่งเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีครั้งนั้นก็พระเจ้าเขียบใบแครอยแห้งไปทิ้งในภายนอกแล้วอภิวาตต้นแครอยเหมือนอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดจดทั้งภายในและภายนอกผู้หลุดพ้นแล้วไม่มีอาสวะ ทรงเป็นผู้นำของโลกพระนามว่าวิปัสสีเฉพาะพระภักแล้วก็สิ้นชีวิตณที่นั้นเนกกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกับนี้ไปพระพเจ้าได้บูชาต้นโพไว้จึงไม่รู้จกักทุกขติเลยนี้เป็นผลเนงการบูชาต้นโพเนกกับที่สามสิบนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบสามชาติพระนามว่าสมันตะปาสาธิกะมีพลานุภาคมาก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 มัทุปินทิกะเถราประทานประวัติในดิจชาของพระมัทุปินกทกะเถระพระมัทุปินกทกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าในป่าใหญ่ดงทึบที่เงียบสงัดไม่มีเสียงอื้ออึงข้าพเจ้าเห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ประเสริฐกว่าฤาษีทั้งหลายผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้ดับกิเลสแล้ว ทรงเป็นมหานาคองค์อาจดุจม้าอาชาในรุ่งโรดดังดาวประกายพลกซึ่งหมู่เทวดาและมนุษย์นมัสการแล้วข้าพเจ้ามีความปลื้มใจเป็นอันมากญาณได้เกิดขึ้นในขณะนั้นข้าพเจ้าได้ถวายน้ำพึ่งแด่พระศาสดาผู้เสด็จออกจากสมาธิแล้วมีจิตผ่องใสจึงหมอง ก, กราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะแล้ว บ่ายหน้าหลีไปทางที่ตะวันออกนีนกลับที่สามสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัศนะครั้งนั้นน้ําพึ่งไหลออกจากเงาบัวลงในโภชนาหารของข้าพเจ้าฝนน้ําพึ่งตกลงแล้วนี้เป็นผลแห่งบุพกรรมในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายน้ําพึ่งไว้ครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำผึ้งเนื้อกับที่สามสิบสี่นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิสี่ชาติมีนามเหมือนกันว่าสุทัศนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมทุปินทิกะเทระได้พากิทธาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้มทุปินทิกะเทราประธานที่เจ็ดจบแเสนาสนะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระเสนาสนาทายกะเทระพระเสนาสนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ถวายเครื่องลาชไปไม้แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะและได้โปรยดอกโกสุกระทําให้เป็นอุปการะฟ้าโดยรอบข้าพเจ้าได้ใช้สอยห้องที่น่ารื่นรมมีค่ามากในประจาดอกไม้มีค่ามากได้ตกลงบนที่นอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้านอนบนที่นอนอันวิชิตซึ่งล่า ด, ด้วยดอกไม้และฝนดอกไม้ตกลงบนที่นอนของข้าพเจ้าในขณะนั้น เนีกับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ถวายเครื่องราชไปไม้ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลเนื่องการถวายเครื่องราชเนี่กลับที่ห้านับจากกลับนี้ไปได้เกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดพระองค์พระนามว่าธิตาสันธารกะทรงเป็นใหญ่ในหมู่ชนคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหก พระพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพุทเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเสนาสนะทายกะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เสนาสนะทายกะเทราประทานที่แปจบ 9. เวยาวัจกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเวยาวัจกะเทระ พระเวยาวัจากะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าได้มีความประชุมใหญ่แห่งพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีพระพเจ้าได้เป็นเวายาวัชกรข้นควายในกิจทุกอย่างาพระพเจ้าไม่มีทาย ร, รมที่จะถวายแด่พระสุคตผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีจิตผ่องใสได้อภิวาสพระยุคลบาทของพระาศาสดา เนกกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทําความขนขวายไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งความขนขวายเนยกกลับที่แปดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุจินติยะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําให้สําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเวยา ว, วจกะเทระได้ภาศัพทคาาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เวยา ว, วจกะเทราประธานที่เก้าจบสิพุทธุ ป, ปัตถากะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระพุทธุ ป, ปัตถากะเทระ พระพุทุปัปทากเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เป่าสังบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีเป็นผู้ขนขวายบำรุงพระสุคตผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นนิดท่านจึงดูผลการบำรุงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัต์โลกผู้คงที่เครื่องดนตรีหกหมืนชิ้นแวดล้อมข้าพเจ้าทุกมือ เนกกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บำรุงพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบำรุงเนงกกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบหกชาติมีพระนามว่ามหานิคโคสะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปดและอภินญาหกข้าพา เ, าเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพุทุปัตถากะเทระได้พาสิทปรานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้พุทุปัตถากะเทราประธานที่สิบจบสุทาวักที่สิบจบบริบูรณ์รวมปทธานที่มีในวักนี้คือ หนึ่งสุทาปิญทญญาเทราประทานสองสุปีทิญาเทราประทานสอัฏฐเจลกะเทราประทานสสูจิทายากะเทราประทานหคันธามารยาเทราประทานหติบุพิยะเทราประทานเจ็ดมทุปินทึกะเทราประทานแปเสนาชนะทายกะเทราประทาน เก้าเวยาวัจกะเทราประทานสิบพุทโธปัฏฐะกะเทราประทานในวักนี้ท่านประกาศคาถาไว้หกสิบคาถาบริบูรณ์อันหนึ่งร่วมวักได้สิบวักคือหนึ่งพุทวักสองสีหาชนิยวักสามสุภูติวักสี่คุณทธานวักห้าอุปาลิวักหกวีชนีวัก เจ็ดสกจิตานิยวัคแปดนาคาสมาละวั์เก้าติมิระปุพยิยาวั์สิบสุทาวัครวมคาถาได้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าคาถาหมวดสิบแห่งวัคมีพุทวั์เป็นต้นจบหนึ่งร้อยเรื่องหมวดที่หนึ่งจบบริบูรณ์